ชายสั off, いい่งภิกษุหลายรูปชายสั่งภิกษุหลายรูปว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุทุกรูปรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศตทุกรูปชายสั่งภิกษุหลายรูปว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุทุกรูปรับคำไปบอกให้รูปหนึ่งกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาธิเศตทุกรูปช่สั่งภิกษุหลายรูปว่า พระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุทุกรูปรับคําให้รูปหนึ่งไปบอกแล้วทุกรูปกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศตทุกรูปชายสั่งภิกษุหลายรูปว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุ ท, ทุกรูปรับคําให้รูปหนึ่งไปบอกแล้วให้รูปหนึ่งกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาธิเษทุกรูป